ข้าวมหาอสุระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอสุระนิคมสูตรใหญ่ ข้อปฏิบัติของสมณะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุรนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับเสีงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายมูชนรู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณนะสมณนะเธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นใครก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณนะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจากสมาทานประพฤติธรรมที่ทำให้เป็นสมณนะและเป็นพรามเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ ชื่อและปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายก็จะเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบินทบาศเสนาสะนะและคีลานปัจัยเพศสัตบริรารของทายกเหล่าใดปัดจจัยทั้งหลายของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอนิสง ม, มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จะไม่เป็นหมันจักมีผลมีความเจริญ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แหลหิริโอตตปะธรรมที่ทําให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีหิริโอตตปะ บางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตปะแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปไมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยกายสมาจารย์บริสุทธิ์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไร คือเธอทั้งหลายควรสำเนีกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากมีกายสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจากไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีกายสมาจารอันบริสุทธินั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์แล้วพอละ ด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชนจากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื alive alive. ่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชนจากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนา ยาได้เสื่อมไปเลยวจยีสมาจารย์บริสุทธิ์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนิว่าเราทั้งหลายจากมีวจีสมาจารย์บริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผย ไม่บกพร่องและสมรวมระวังจากไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุท์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตปะแล้วมีกายสมาจารและวจีสมาจารบริสุ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้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 มนโนสมาจารบริสุทธิ์กิดที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนีจกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากมีมนโนสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสํารวมระวังจากไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีมนโนสมาจารบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตปะแล้ว มีกายสมาจาร์วจีสมาจาร์และมโนสมาจาร์บริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชนจากความเป็นสมณนะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปไมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลาย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 ยัยได้เสื่อมไปเลยสำรวมอินทรีย์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนีกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือจากปฏิบัติเพื่อความสารวมจากขุน4ีซึ่งเมื่อไม่สารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกศุศสลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงาได้จากรักษาจากขุน4ีถึงความสารวมในจากขุน4ีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะะทางกายรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้ว ไม่รวบถือไม่แยกถือจากปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีซีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุโสลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จากรักษามนินทรีซีถึงความสำรวมในมนินทรีซีบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์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 กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะรู้จักประมาณในโภชนะจากพิจารณาโดยแยกคลายแล้วกลืนกินอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินซีเป็นไปเพื่อบาบัดความหิว เืออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจะ ก, กําจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดํารงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุขจกมีแก่เราบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตะปาแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มนโนสมาจารบริสุทธิ์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 กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสําเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องจากชาระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันจากชาระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี สำเร็จการนอนดุจราชสีโดยตะแคงข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัจฉิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่า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 รู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องและมีสติสัมปชัญญะแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทํากิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณนะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปไมิได้มีอีกเธอทั้งหลายยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น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 ที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้ า, าบ่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วนั่งครูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า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 กำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชํระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความราคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชํระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจกุกุจจะและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชํระจิต ให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสําเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกําไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรพัญญาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสําเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วและกําไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรพัญญา เพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคน ไ, ไ, ไ, นไขนน้ถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังบัดนี้หายป่วยบริโภคอาหารได้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 จะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้บัดนี้พ้นจากความเป็นทาตพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแกตนเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดานต่อมาเขาข้ามพ้นทางกันดานนั้นได้โดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดานบัดนี้ข้ามพ้นทางกันดานโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นนิวร์หประการนี้ที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้โรค เรือนจำความเป็นธาตุและทางไกลกันดานและพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการนี้ที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นโทษจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตนเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็น ประมาชาน4พิสษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วสงังอัจจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเ อ, อิบเต็มเปี่ยมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกทราบซ่านอยู่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 ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบบริบูรณ์ซึมซาบด้วยน้ําเย็นตั้งแต่ยอดจดถึงเงาไม่มีส่วนไหนที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุข้อชันนั้นเหมือนกันทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลาย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 ออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านโน้แม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมแม้ฉันใด <meno Vai> <P si> ภิกษุ ข, ข้อฉันนั้นเหมือนกันยอ่อมร <P> si> <comp sigh> ะ, ะลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ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 ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธาคาม่นีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภาวาสวะ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 หรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ชันใดภิกษุข้อฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน้ทุกละถึง ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป